ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงประพทธญาในวันนี้คงพูดเรื่องสมาสติในช่วงของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปวันก่อนได้พูดถึงเจตนารมในการใช้สติสัมปญญาความเพียรก็เพื่อจะขจัดเสียซึ่งอภิชาเกิดความเพ่งเล็งโลภอยากได้ แล้วก็โทมานะคือความประทุษร้ายหรือความทุกข์ออกไปจากจิตใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็เน้นไปที่กิเลสประเภทโลภะกับโทสะนะราคะโลภะกับโทสะเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุมความคิดของตัวเองเอาไว้ไม่ตกเป็นธาตุของอารมณ์ ที่เรากระทบในชีวิตประจําวันเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่เรากระทบในชีวิตประจําวันนั้นถ้าใจมันจะสายไปตามกระแสสมมุติว่าเราอ่อนไหวไปกับการโฆษณาเชิญชวนชักชวนให้ไปดูไปชมเนี่ยแม้เราสมมุติว่าจะเนรมิตร่างกายแยกร่างกายออกได้เป็นหลายๆคนเนี่ยนะเพื่อไปให้ได้ทุกแห่งเนี่ยมันก็ไปไม่หมด แดาว่าผลท้ายเราตั้งคําถามมันได้อะไรมันไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยต้องลองสังเกตว่าสมมติว่าเราดูภาพยนต์สักเรื่องนึงน่งนะเดี๋ยวกใารใช้จ่ายค่าเวลาค่าอะไรต่างๆลองคิดดูแลถามว่าได้อะไรบ้างไหมได้มันคงจะได้บ้างนะแต่ถามว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า แต่เราจะต้องใช้จ่ายต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันได้แต่ก็ไม่คุ้มค่าแต่บางทีก็สูืเปล่าวรายสารประโยชน์แต่บางครั้งบางข่าวให้ลองสังเกตแต่มาแห่งเองก็ลองสังเกตว่าอย่างเช่นสมมติเราฟังข่าววะเนี่ยมันก็ได้รู้ว่าใครทําอะไรทําที่ไหนทําอย่างไร มันได้คุณได้โทษยังไงนั่นก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งถ้าใช้มีหน้าที่ใช้มันก็ใช้ไม่มีหน้าที่ใช้มันก็มไม่นีไม่มีโอกาสใช้แต่ว่าเราก็สามารถใช้เป็นบทเรียนได้แล้วก็รู้ความเป็นไปของบ้านของเมืองของเหตุการต่างๆแต่ถามมารู้แล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม แกไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมมันก็น้อยนะฮะที่เราจะทําได้ขนาดนั้นแต่ก็รู้ไปทีนี้ตรงเนี้ยบางทีมันเกิดความยินดีนยินร้ายพระพุทธเจ้าก็สอนในรูปที่ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายถือไม่ใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจถ้าใส่ใจไปแล้วเกิดความรักความชังก็อย่าใส่ใจมัน ถ้าใส่ใจแล้วเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาเกิดความเสียสละเกิดสติสัมจัญญะเกิดศรัทธาอะไรอะไรขึ้นมาก็ใส่ใจคือไม่ได้หมายความว่าต้องสํงรวมไปทั้งหมดคือสังรวมในกรณีที่จะเกิดความยินดีเจริญได้ถ้าเกิดตรงกันข้ามมันก็ให้ใส่ใจให้มุ่งมันให้เพ่งพินิษให้สรวสอบเพราะแนวกรรมฐานเนี่ยเขนแนวการเพ่งพินิ เพ่งไปก่อนแล้วก็พินิจที่หลังพินิจพิจารณาที่หลังก็รับสั่งว่าเธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งๆมีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสมัมมิจฉญามีสติแล้วก็ก็ว่าไปเรื่อยนะฮะจนถึงจิตก็ถึงถึงถึงธรรมแต่ว่าเราเขาพูดมาถึงตรงนั้นดีกว่า เราจะพูดในประเด็นของเขาเรียกว่าอนาปนาปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยอนาปานาสติคื อ, อนาปานาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้งแต่ทรงพระเยวนะฮะตั้งแต่ประชนมายุแปดขวบตามเสด็จราชบิดาไปในพิธีว่าปะมงคลแรกนาขวัญในขณะที่คนทั้งหลายกำลัง ดูสนุสนานอยี่ยวกับการแรกหน้าเนี่ยพระเจ้กุมารกับนั่งสมาชิคูบาลังตั้งกายทรงกำหนดดูลมหายใจเข้าออกบรรลุปฐมฌานนะฮะหรือบารมีแก่กล้ามากจนเกิดเหตุอันสจัน์พระเจ้าสุโธทนะต้องถบายบังคุณ คือพอข้าวมาถึงเห็นว่าเจ้ากุมารนั่งสมาธิสงา่างามแล้วก็เงาของตะวันมันบ่ายแล้วแต่ว่าเงาของต้นว่าที่เจ้าชายนั่งอยู่ที่โคนต้นเนี่ยมันยังอยู่ยังเชี่ยงอยู่เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์พระเจ้าสุโทธทนะก็ต้องถวายบังคมแล้วก็อาราชพฤหันก็เลยก็ถวายบังคมตามไปด้วยเราจะมาเริ่มพุทธิกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยา ก, ก น, นะฮะคือคําเดำว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยออกก่อนหรือเข้าก่อนแต่ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าเราหายใจเข้าก่อนเดีย อ, ออกมาได้ถ้าหายใจออกก่อนเข้าเราจะไหวไงคือมันต้องเข้ามาก่อนเนี่ยตึงมีให้ออกเราก็พูดไปหายใจเขาาจออเา้าหายใจออกเราไม่พูดไปหายใจออกหายใจเข้า แต่วันในพระบาลีในท่านเล่นสาวทั้งถกเจียนกันเยอะมีฟุตโน o t เอาไว้ในเอกสารต่างๆเวลาถึงอานปานาสติเนี่ยแต่เราก็คงไม่ไปยุ่งกับเรื่องตรงนั้นนะเราเอามาเอาตรงนี้ว่ารับสั่งรเรียงสอนไปตามลำดับอันนี้เป็นแบบฟอร์มของการเจริญสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกกระดูร่างกายเนี่ย รับสั่งว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายนเนืองๆอยู่จังไรเล่าภิกษุตั้งหลายภิกษุในธรรมีใ น, นนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปแล้วสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังนั่งกัดสมาธินะครับคือเราจะเห็นว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยประเด็นสำคัญในตอนแรกนอกจากโพสัปายะอย่างที่ว่าแล้ว ชาวฐานช้เนี่ยมันต้องสัญญาเงียบก็คือสปายาอย่างหนึ่งเหมืนอนการเรีื่เสนาสนาสปปะสปายาดเนี่ยคือที่มันก็เงียบในลรนี้เราหาที่เงียบลําบากหน่อยแต่ถ้าเข้าไปในป่าก็ยังเงียบอยู่ถ้าไม่อย่างงั้นมันก็สร้างเป็นห้องปร ะ, ประกาศคือตัดเสียงจากข้างนอก แล้วก็ปรับอุณหภูมิไม่เหมาะสมเราจะเห็นว่าจริงๆเวลานี้เราสร้างได้แบบสัพยีธิเราสร้างได้ก็ลงทุนน้อยเมื่อได้ที่สงบสมยตุตย่างนะป่าก็ดีคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีนี่ก็เรื่องตัวอย่างนะตรงไหนก็ได้เอาสถานที่ที่มันสงบอย่งในกรุงเทพเราปัจจุบัน ถ้าไม่มีแอร์คอนดิชันแล้วก็ยากที่จะให้มันสงัดเงียบแต่ Air แอร์ก็อีกแหละมันก็เปลืองข้าไฟนะฮะเปลืองสินสิ น, สนเปลืองเงินทองไปเป็นกันมากวิธีการนั่งนั้นท่านบอกว่านั่งคู่บัลลังนั่งขัดสมาธ์เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตังกายทรง แล้วก็วางใบหน้าอะไต่างๆให้พอดีอย่าให้เกร็งใหญ่เครียดหรือไม่ใช่ว่านั่งยืดอกจนปวดสะเอวแต่ไม่ไดนั่งคู่จนหายใจไม่คล่องจะเรียกว่านั่งคู่บัลลังกับสมาธิแบบพระพุทธ ร, รูปนะครทีนี้สมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองแนวคือสมาธิเพชรกับสมาธิเพชรเราจะพบพระพุทธ ร, รูป ปางสมาธิเพชรมันก็มีเหมือนกันแต่ที่จริงค่อนข้างจะนั่งยากต่อปัญหาถ้าขาถ้าขายาวหน่อยมันก็คงจะพอไหวถ้าขาสั้นเนะ่ะมันก็การนั่งยากหน่อยแต่ก็มีหลวงพ่อหลวงปู่บางองเนี่ยถ้านั่งนั่งอย่างนั้นก็นั่งไปได้เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ต้องฝึ ก, ก น, นะแต่ที่จริงท่านั่งเนี่ยไม่ใช่ประเด็น หมายความมานั่งยังไงก็ได้แต่ถ้าเราดูในปฏิปทาของพระอริยะทั้งหลายเนี่ยมันไม่ถูกจํากัดโดยอริยบทคือท่านอยู่โดยเริยบทอะไรก็ยืนก็มีเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีนะที่บรรุมรรคผลเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานั่งโดยยึดรูปแบบตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะช่วยให้นั่งได้นานแล้วร่างกายเนี่ยมันจะตรงดี โอกาสจบวชจะเมมัน ก, ก็น้อยลงนาะอย่เรานั่งพระเพียวกับนั่งขัดสมาธิเราจะเห็นว่านั่งขัดสมาธิทนได้นานกว่าที่เล่าที่ั่นจะมาไปบรรยายอบรมที่ข่ายพัฒนาจิตที่สูงเนินที่วัดว่าปู่แก้วเบอรสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตลอดถึงที่วัดเทพิทักษ์บุญนาราม คือเราปลอยให้นั่งตามอัตยาสาแล้วไม่ต้องพนมมือไหวตอนบรรยายนะฮะคือนั่งตามสบายแต่คงจะนั่งอยู่สองท่านะฮะไม่จะเบียดแขนเบียดขา อ, อมาจะนั่งพระเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธิมือไม่ต้องพนมเมื่อยแต่ให้ใจสบายเพื่อเพราะอะไเพราะว่าถ้าใจมันไปอยู่ที่ปวดเนี่ยบางทีมันไม่ยอมฟังะ วุ้นไม่ยอมฟังเพไปใส่ใจอยู่ที่ปวดคือใจเนี่ยเขารับอารมณ์อย่างเดียวได้ในขนาดเดียวเพียงเด็กเขารับได้เร็วเพราะเมื่อถ้าเขาไปรับที่ปวดเนี่ยอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้รับทำให้ไอ้สิ่งที่ต้องการจริงๆองการให้จริงๆเนี่ยไม่ได้เพราะในการนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความพร้องที่จะ ทำใจใสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็สงสอนว่าตั้งกายให้ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคือตั้งสติและลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหมายความตั้งสติอยู่ที่ช่องจ ม, มูกทั้งสองข้างแล้วก็มีสติในการหายใจเข้าคือเมื่อ มีสติในการหายใจออกนะมีสติในการหายใจเข้ามีสติในการหายใจออกทีนี้อาการหายใจของคนเอนนี่ยมันเอานิยายไม่ได้ก็แล้วจะใครจะหายใจยังไงสั่งว่ามื่หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเห็นไหมว่า มีความเพียรในการหายใจมีสติตั้งระลึกยรู้อยู่ที่เราหายใจแล้วมีสัมผััญญาเป็นตัวรู้รู้ชัดเนี่ยก็มารู้ชัดน่ยเป็นาการของสัมผััญญามันเป็นการทํา ง, งานประสานกันหรือถ้าเราคิดเป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าสตินเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าสัมผััญญาเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็ความเพียรเนี่ยเป็นตัวพลังขับเคลื่อนไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ระดับสาม เราไปกันไปเป็นสหายสามคนก็ช่วยกันประคับประคองภารกิจอย่างเดียวกันเพื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบในขณะที่เจริญสมาธิกันอยู่เนี่ยทีนี้บางทีเนี่ ย, ยเราเจนว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นหายใจใ ห, หายใจออกสั้นดยหายใจเข้าสั้นด้วย เราก็รู้ชัดตามความจริงหายใจออกสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเราก็ดู อ, อยู่นั้นไปตั้งสติดูอยู่อย่างนั้นเท่านั้นอนนี้คือตัวตัวอารมณ์จริงๆก็ทำเท่านั้นนอกนั้นมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจเองแต่ว่าให้เราสังเกตว่าการจะไปตั้งสติกลลงอย่างนี้สมักคนบางคนเนี่ยทยาก เพราะอย่างที่ท่านแสดงไว้ในคำพีวิสุทติมรตเนี่ยท่านสอนจากคณาณาคือการนับนับลมหายใจเข้าออกในตอนแรกๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยใหม่เนี่ยนับหนึ่งสองสามสีห้าไปได้ก็นับไปเรื่อยๆตามนับลมหายใจเข้าออกเพราะเราไม่เคยนับมันนะฮะลมหาย ใ, ใจเข้าออก ก็ใช้เป็นเป็นเรื่องที่น่าถึ่งว่าพระพุทธเจ้าใช้ของธรรมชาติทนั้นไม่ได้สร้างสารรค์อะไรขึ้นมาใหม่มาใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน่อางพวกครูอาจารย์ทุกวันีนมีหัวกระโหลกก็ได้อะไร้ไรปายกันรุ่แรงมากเลยพระพุทธเจ้าท่านท่านเอาธรรมชาติธรรมดามาโดูลงมาใใจเข้าออกยาวหรือสัน้นก็ตามก็ดูไปตามนั้น แต่ว่ามันก็ยุ่งยากนะคือว่าคนถ้าไม่ฝึกปรือมาจริงๆเนี่ยไปตั้งสติรละลึกเข้าเลยทีเดียวเนี่ยคงจะยากตอนก็ส่งสอนให้ให้นับลมหายใจเขอาในช่วงต่อมาก็คือนับเป็นคู่ จไหนใจข้าวนับหนึ่งใจออกนับหนึ่งใจข้าวนับสองใจออกนับสองใจข้านับสามใจออกนับสามใจข้านับสี่ใจออกนับสี่ใจข้านับผ้าใจออกนับผ้าเรก็นับไปเรื่อยอย่างเนี้ยหนึ่งหนึ่งถึงหกหกหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งถึงสิบสิบหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าหนึ่งหนึ่งถึงหกกก็หมุนวนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องสังเกตตัวเองคือจับผิดตัวเอง ว่าตรงนี้เช่นสมมติเราจะนับหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดนี่เราเป็นลังเลตอนหกหกหรือเปล่าก็สงสัยตอนหกหกไหมเรือเ่อยๆไปสงสัยตอนเจ็ดเจ็ดวเอ๊ะมันเจ็ดเจ็ดหรือแปดแปดรียจะเผือไปที่แปดแปดแต่ว่าทั้งหมดนั้นเราจะเห็นว่าสติไม่พอสติไม่ต่อเนื่องเพราะการลังเลนั้นเวลามันผ่านไปหลายวินาทีนะ ถ้าเป็นรถชนนชนกันแล้วนะฮะถ้าเป็นแผ่นดินไหวก็ไหวแล้วอันตรายอะไรมันเกิดได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาขนาดนั้นจ้นสมมติว่าคนที่เ็ายิงคนเนี่ยที่จริงก็เป็นวิ์นะเป็นวินาทีเัราะท่สอนใหสติต่อเนื่องมันไม่ขาดสายแ ค, แค่เราลากเส้นเนี่ยเส้นมันต้องไม่ขาด มันจึงกลายเป็นรูปร่างตึงต่างๆได้การบำเพ็ญภาวนาในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่นั้นแต่ว่าในการต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าอย่างนิกายทางสายมายานเนี่ยเรียนลื ม, มาสายมายานส่วนใหญ่บ้านเริงเขาหนาวนะท่านก็มาเปลี่ยนเป็นรูปประคัมอยู่กับรูปประคัมอย่างบุติเบทเป็นรูปประคัมถือประจำเลนะพวกพวกเขาเรียกว่า ปุตตะนิการพวกนิกายเหนือทั้งหลายเนี่ยจะใช้ลูกประคำเยอะลูกประคำมีร้อยแปดลูกนับห น, น, นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบนับไปเงี้ยจนครบร้อยแปดทียุ่งยุ่งก็นับใม่ครบบางทีก็นับเกินไปฝึกปรือกันมาเรืเ่อยๆนะฝึกปรือกันมาเรืเ่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็มาจับตรงเนี้ลังเวเนี่มีกระแสที่มาค่อนข้างแรงก็คือภาวนาบทว่าพุทธ มันก็สืบเนื่องจากพระอาจารย์มัน na, rian, ่นแ่ละนะครพระอาจารย์มั่นท่านที่จริงพุทโธเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าพุทธานุสติผสมกับอนาปานสติอนาปานสติก็ไม่ได้ว่าอะไรหายใจเข้าว่าพุทธจะออกว่าโธหายใจเข้าว่าพุทธจะออกว่าโทหรือว่าหายใจเข้าพุทโธจะออกพุทโธที่จริงจะงนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องว่าอะไรอ่ะ เราใช้อะไรก็ได้แต่มางทีเขาแม้ว่ามันเป็น ก, กลางๆหรือเป็นเรื่องดีๆแต่แนวนุสติเนี่ยถ้าไปรแล้วล่กๆไม่ดีมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉั้นเราจะเห็นว่าแนวนุสติจะเป็นเรื่องกลางๆกับเรื่องดีๆเรื่กฎธรรมชาติธรรมดาเช่นว่ามอนานุสติอย่างเงี้ยหรือมรณะสติอย่างเงี้ยเป็นพวกอนุสติหรือว่าอนาปานุสติอย่างเงี้ยแล้วก็ นอกจากมรณสติกับอนาปานสติแล้วนอกนั้นก็เป็นเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องกุศลธรรมนะเช่นอุปสมารุสติแล้วลึกถึงปณิพานพุทธานุสติแล้วลึก ถ, ถ, ถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติแล้วลึกถึงประธรรมเป็นต้นเนี่ยก็ใจมันจะสงบได้แต่ถ้าเราลึกถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยเช่นสมมุติว่าไปเอาชื่อของคนแต่เราโกโรธมาแล้ลึกเนี่ยใจมันก็ไม่สงบมันก็เกิดโผมนัน พอถ้าเราไปคิดถึงคนที่เรารักเนี่ยสมมุติว่าภาวนาชื่อคนที่เรารักเนี่ยก็เด็กิเลสมันก็เกิดอ่ะมันก็กลายเป็นอภิชาตอนนี้หาสาระเนี่ยมันมันการทําสมาธิตั้นบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสมบระงับแผงนิวรังห้าประกาศเราไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะรูปแบบไม่ได้มี ความจาเป็นอะไรที่จะต้องไปยึดติด ร, รูปแบบมันมีลักษณะเหมือนถนนเหมือนถนนมาจากส่ว น, นต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมาสู่กรุงเทพเนี่ยมากันคนละทิศละทางเนี่ยมาจากไหนก็ได้กันไว่ว่าแต่พอถึงกรุงเทพมันก็เป็นกรุงเทพเดียกันธรรมปฏิบัติเนี่ยมันมีนิวรการสงบนิวรังเป็นเป้าหมายของสามถกรรมฐาน แต่ว่าเราจะใช้ถนดสายไหนก็ตามแต่เราถนัดนะเพียงแต่ว่าอานาปานสติเนี่ยมันมีเหตุผลของมันหลายอย่างคือหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วนึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไปทํางานเนี่ยหรือกลับจะทํางานแล้วก็นั่งรถเมล์หรือมีคนขับเนี่ยก็นั่งหลับตาสมาธิเสีย เป็นการพักผ่อนไปด้วยในตัวเป็นการพักผ่อนทั้งกายทั้งจิตถึงก็ถึงเรา อ, อาจจะนั่งมากับเพื่อนนะให้เพื่อนสะ ก, กิดมาถึงป้ายที่จะลงให้เพื่อนสะ ก, กิดบอกเราก็นั่งสมาธิเสียไม่ต้องไปวิตรกังบนอย่างเช่นว่าเรานั่งไปแล้วรถติดเนี่ยถ้าเราเอื้องจิตไปข้างนอกให้มันหงุดหงิด เขาไปอยู่ข้างนอกหรืออยู่ที่ลมหายใจเขาออกเขานั่งสมาธิตรงนั้นจริงๆไม่ต้องคูบัาลังตั้งกายตรงอะไรนะะนั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะวัฒน้รหาสาระเนี่ยมันอยู่ที่สติซึ่งระลึกอยู่ที่ลมหายใจเขาออกไอ้คือ ต, ตัวตัววัฒนธรรมสาระของเขาแล้วก็ใช้จนกว่าจะนะ เวลานี้ก็มีเช่นเช่นเช่นดูจุดที่ลมกระทบมาตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมพี่ปากเบื้องบนหรือช่องจมูกก็ลองทดสอบดูหายใจดูนะฮะว่าลมมากระทบตัวไหนแรงก็ตั้งสติและลึกไว้ตรงนั้นแล้วก็หายใจไปเร่แล้วก็แนวนี้ก็เข้ามาแนวเนี้ย บางทีก็เรียกว่าต้นลมกลางลมปลายลมือตั้งสติลึกอยู่ที่ช่องจมูกแล้วก็ทรงตรงหัวใจนะฮะแล้วก็ทรงเหนือเสือแล้ดูกลับไปกลับมาตามลมหายใจเข้าออกก็คือที่จริงก็คือให้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออกสติสัมยาความเพียงก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก พอจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเราสัียกว่าเราจากเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งป่วงหายใจเข้ารู้กองลมก็คือก็คือลมนะฮะลมเดียวมันขึ้นมาเดียวมันมันเข้าไปเนี่ยตั้งสติดูตรงนั้น ดูตรงนั้นลมมันขึ้นมาเราใจนมม้ึกว่าขึ้นมาที่ช่องท้องอ่ะที่ท้องน่ะมันขึ้นมาก็ดูกองลมน้องปงูงหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงว่าค่อยๆปรับจิตขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มอารมณ์เนี่ยมันจะแคบเข้าจะไม่หลากหลายคือไม่ต้องไปไปวิ่งตามมันก็ดูที่กองลม แล้วก็ถ้าถ้ามันเกิดนะถ้าถ้าถ้ามันเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่รู้ถ้าไม่เกิดก็อยู่ที่หยุดที่เรากําลังภาวนาเนี่ยคือพวกนี้มันดูตามความเปลี่ยนแปลงของจิตบ่าเราย่อมย่อมสําเนียกว่าเราจะกรนับกายสังขารหายใจเข้า สมมตกว่าเราจะระ ง, งับกายจะสังขารห้ยใจออกคือกายจะสังขารลมหายใจออกในตามปกติเวลาจเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยเขาจะละเอียดลงไปเรื่อยบางทีก็หายไปเลยบทีก็หายไปคนบางทีก็ตกใจนื่ว่าตัวเองจะตายแต่ก็สอนให้คิดดูว่าคนที่จะตายเนี่ยมันเพราะอะไรคนที่ไม่มีลมหายใจเนี่เพราะอะไร คนตายก็ได้คนดำน้าก็ได้คนเป่าปีกก็ได้นะฮะเขก็มีอยู่เยอะที่คนก็ไม่หายใจเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงตายก็ตั้งสติแล้วรู้อยู่ชึ่งจุดซึ่งลมเคยเข้าออกคืออยู่ที่ช่องจมูกเนี่ยตั้งเอาสติมาไว้ตรงนั้นก็ดูเพ่งดูไปเรื่อยๆพอเสร็จเลิกเกิดแล้วก็ลงหายใจเมื่อก็เกิดทีนี้ก็ดูตัวกายสังขารเนี่ย ดูการสงบของของลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าเนี่ยเราก็อ่ะลมหายใจเข้าออกทางช่องใดเราก็เพ่งดูช่องนั้นแล้วสุดลมมันก็ค่อยค่ยแผ่วขึ้นมาค่อยๆกลับขึ้นมาเพียงแต่มันเป็นสัญญาณบง่งบอกว่าเราเดินมาทุกทางแล้วก็กิจใจเราในน้องง้องเข้าสู่ความสงบแล้วก็พยายามต่อไป ถนะ้าอุปมานะอุปมาสอนให้ดูว่าเหมือนนิสอุปมาเองนะฮะมอวเหมือนก็ช่างกลึงช่านกลึงลูกมือของช่างกลึงนฉลาดเนี่ยเวลาก็ากลึงก็ใช้เชือกจะดึงยังไงดึงยาวดึงสั้นอะไรต่ลอะเนี่ยเขก็ทําไปได้ตามปรารถนาต้องฟังเท่าไหร่ใตโลกขงพทธยานในวันนี้คอยยติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้เพราะความจะเดิน ง, งอกงามไปบุรในธรรม ทุกมีดตท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี